สมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกกามราคะกลุ้มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่และรู้ชัดรมเครื่องสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยภาชนะน้ำซึ่งไม่ระคนด้วยครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกการมราคะกลุ่มรุ่มไม่ถูกการมราคะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากกรรมราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงละถึงสสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่ถูกพยาบาทครอบงำอยู่และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง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 และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันสสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทจักกุกุจะกลุ่มรุมไม่ถูกอุทจักกุกุจัครอบงำอยู่และรู้ชัดทำเครื่องสลัดออกจากอุทจากกุกุจกที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง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 พึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกอุทจักกุกกุจักลุ่มรุมไม่ถูกอุทจักกุกกุจจะครอบงำอยู่และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากอุทจักกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนแม้ที่ไม่ได้สาทยายมาเป็นเวลานานก็แจมแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมน์ที่สาทยายเลยฉันนั้นเหมือนกันห้าสมัยใดบุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจมแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยภาชนะน้ำใสแจว๋วไม่ขุ่นมัวที่เขาวางไว้ในที่แจ้งคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใด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 ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลยฉันนั้นเหมือนกันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ในการบางคราวไม่จําเป็นต้องพูดถึงมนที่สาธยายเลย โพ่อชงเจ็ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติพ่อชงเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมโอชงไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวีมุตละถึง 7. อุเบคาสัมโพชงไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวีมุตพราหม์โพชงเจ็ประการนี้ไม่เป็นนิวรนเครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้ามองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังคาระวะพรามด้ยวยกกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต สังคาระวะสูตรที่ห้าจบ 6. อภัยสูตรว่าด้วยอภัยราชกุมารข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นอภัยราชกุมารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งนทติสมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสปะเรียกกล่าวว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้ เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราชกุมารเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็น ความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นเป็นอย่างไรความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมาร สมัยใดบุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นทาเครื่องสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุม ถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นทาเครื่องสลัดออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมละถึงมีจิตถูกอุทจะกุกุจจะกลุ่มรุ่ม มีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุ่มถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นทาเครื่องสลัดออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรราชกุมาร ทำเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องพูดถึงบุคคลผู้ถูกนิวรณ์ทั้งห้าครอบงำเลย แต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเตุเป็นอย่างไรปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชคุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะเธอมีจิตอันสติสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้ว ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงราชกุมาร น, นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งละถึงภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักะเธอมีจิตอันอุเบกขาสำโพชงให้เจริญแล้ว ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงราชกุมาร น, นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรราชกุมารธรรมเหล่านี้ชื่อโพชชงข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชชงเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคต โคดชงเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชชงแม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องพูดถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยโพดชงทั้งเจประการเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากายใจที่มีแก่ข้าพระองค์ผู้ขึ้นภูเขาขิ่จกูฏก็ระ ง, งับไป และทมอันฆ่าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วอภัยสูตรที่หจบโพชังคะสากัจฉวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาหารสูตร 2. ปริยยสูตร 3. ามอคิส mm ูต hmm. ร 4. เมตตาสหากตัสูตร 5. สังคารวะสูตร 6. อภยสูตรเจ็ด นาปานวักโหมวดว่าด้วยอานาปานาสติหนึ่งอธิกะมหพลสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญามีผลมากเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนในโวสักะละถึงเจ็ด เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตรด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายอาธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างนี้แล เล็บหนึ่งอัญญะตะพละสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญามีผลอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่ออธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี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 วงเล็บสองมหัตถสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์มากภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก อธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ่เจริญสติสัมโพชงที่สหรคด้วยอธิกะสัญญาและถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโพชงที่สหรคด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะ ภ really ิกษุทั้งหลายอธิกรสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอย่างนี้แลวงเล็บสโยคักเขมสูตรว่าด้วย อธิกสัญญาเป็นไปเพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอย่างไรคือภิกษุญญในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เจริญสติสัมโูชงที่สหรคตรด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบขาสัมผูชงที่สหรคตรด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอาธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอย่างนี้แล วงเล็บสีสังเวทขสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อความสังเวทภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวทมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวทมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เจริญสติสัมโูชงที่สหรคตรด้วยอธิกะสัญญาและถึงเจเจริญอุเบคาสัมผูชงที่สหรคตรด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสกคะภิกษุทั้งหลายอาธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากอย่างนี้แล วงเล็บห้าภาสุวิหารสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อความอยู่ภาสุภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ภาสุมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ภาสุมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เจริญสติสัมโูชงที่สหรโคตด้วยอธิกะสัญญาและถึงเจเจริญอุเบคาสัมผูชงที่สหรโคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้องไปในโวศัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายอาธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่พาสุกมากอย่างนี้แล อัธิกามหาภะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปุระวกะสูตรว่าด้วยปุระวกะสัญญาภิกษุทั้งหลายปุระวกะสัญญา ความหมายรู้ซากศพที่มีนอนคลาแคล่มเต็มไปหมดที่บุคคลเจริญแล้วละถึงปุรวกะสูตรที่สองจบ 3. วินีละกะสูตรว่าด้วยวินีละกะสัญญาภิกษุทั้งหลายวินีละกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆที่บุคคลเจริญแล้วละถึง วินีละกะสูตรที่สจบ 4. วิจิตทกะสูตรว่าด้วยวิจิตทกะสัญญาภิกษุทั้งหลายวิจิตทกะสัญญาความหมายรู้แทรกศพที่ขาดจากกันเป็นท่อนทอนที่บุคคลเจริญแล้วละถึงวิจิตทกะสูตรที่สจบ 5. อุทุมาตะกะสูตรว่าด้วย อุธุมาต ก, กะสัญญาพิกษุทั้งหลายอุธุมาต ก, กะสัญญาความหมายรู้แทรกศบที่เน่าพองขึ้นอืดที่บุคคลเจริญแล้วและถึงอุธุมาต ก, กะสูตรที่ห้าจบ 6. เมตตาสูตรว่าด้วยเมตตาพิกษุทั้งหลายเมตตาที่บุคคลเจริญแล้วและถึงเมตตาสูตรที่หกจบ เกรุณาสูตรว่าด้วยกรุณาภิกษุทั้งหลายกรุณาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงกรุณาสูตรที่7จบ 8. มุทิตาสูตรว่าด้วยมุทิตาภิกษุทั้งหลายมุทิตาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงมุทิตาสูตรที่8จบ 9. อุเบขาสูตร ว่าด้วยอุเบกขาภิกษุทั้งหลายอุเบกขาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอุเบกขาสูที่9จบ10อาณาปานสูรว่าด้วยอาณาปานสติภิกษุทั้งหลายอ า, ลลล อ, า 9, อาณาปานส ต, านาานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอาณาปานาสูที่10บจบ อาณาปานวักที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อธิกะมหาภะสูตร 2. ปุละวะกะสูตร 3. วินีละกะสูตร 4. วิชิตะกะสูตร 5. ห้าอุทุมาตะกะสูตรหกเมตตาสูตรเจ็ดกรุณาสูตรแปดมุทิตาสูตรเก้าอุเบกขาสูตรสิบอาณาปานาสูตร นิโรธวักหมวดว่าด้วยนิโรธหนึ่งอสุภสูตรว่าด้วยอสุภะสัญญาภิกษุทั้งหลายอสุภะสัญญาความหมายรู้ความไม่งามที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอสุภสูตรที่หนึ่งจบ 2. มรณะสูตรว่าด้วยมรณะสัญญาภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญาความหมายรู้ความตายที่บุคคลเจริญแล้วละถึงมรณะสูตรที่สองจบ 3. อาหาเรปฏิกูละสูตรว่าด้วยอาหาเรปฏิกูละสัญญาภิกษุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูละสัญญาความหมายรู้ความปฏิกูลในอาหารที่บุคคลเจริญแล้วละถึง อาหาเรปตะกูลสูตรที่สจบ 4. อนัพิรติสูตรว่าด้วยอนัพิรติสัญญาภิกษุทั้งหลายสัพพโลกเก อ, อนัพิรติสัญญาความหมายรู้ความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอนัพิรติสูตรที่สจบ 5. อนิจจสูตร ว่าด้วยอันนี้จะสัญญาภิกษุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาความหมายรู้ความไม่เที่ยงที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอันนีจ้จะสูตรที่หจบ6ทุกขสูตรว่าด้วยทุกขสัญญาภิกษุทั้งหลายทุกขสัญญาความหมายรู้ความเป็นทุกขที่บุคคลเจริญแล้วละถึงทุกขสูตรที่6จบ 7. อนตัตตสูตรว่าด้วยอนัตตสัญญาภิกษุทั้งหลายอนัตตสัญญาความหมายรู้ความเป็นอนัตตาที่บุคคลจเจริญแล้วละถึงอนัตตสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปหาณสูตรว่าด้วยปหาณสัญญาภิกษุทั้งหลายปหานสัญญาความหมายรู้การละที่บุคคลจเจริญแล้ว ละถึงปหาณสูตรที่8จบ 9. วิราคาสูตรว่าด้วยวิราคาสัญญาภิกษุทั้งหลายวิราคาสัญญาความหมายรู้วิราคะที่บุคคลเจริญแล้วละถึงวิราคาสูตรที่9จบ นิโรธาสูตรว่าด้วยนิโรธสัญญาภิกษุทั้งหลายนิโรธสัญญาความหมายรู้นิโรธที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1>, 1. เจริญสติสมัมโูชงที่สหรครด้วยนิโรธสัญญาละถึงเจเจริญอุเบคาสามัมโูชงที่สหรครด้วยนิโรธสัญญาอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักะนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงมากอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตรด้วยนิโรธสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโพชงที่สหรคตรด้วยนิโรธสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะเมื่อนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ อร h a t ผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอย่างนี้แหลนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อทําที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมากเพื่อความอยู่ภาสุขมากนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก เพื่อทำที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมากเพื่อความอยู่ภาสุกมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโฟชงที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบขาสัมโฟชงที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ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 วมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อสุภสูตร 2. มรณะสูตร 3. อาหาเรปฏิกูลสูตร 4. อนะพิรติสูตร 5. อณิจรสูตร 6. ทุกขสูตร 7. อนัตตะสูตร 8. ปหาณะสูตร 9. วิราคะสูตร 10. นิโรธสูตรเก้าขังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยขังคาไปยานหนึ่งถึงสิบสองขังคานาทีอาทิสูตรว่าด้วย อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนชั้นใดภิกษุเมื่อเจริญโพชฌงเจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานชั้นนั้น ภิกษุเมื่อเจริญโพชฌงเจ็ประการทำโพชฌงเจ็ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสัก ข, ขะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพ่อชงเจ็ประการทำพ่อชงเจ็ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพึงเพิ่มบาลีให้พิสดารจนถึงเอสนาสูตรคังคาณทีอาทิสูตรที่1นึถึงสิจบคังคาเปียา์ลวักที่9จบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งปฐมมปาจีนิณสูตรสองถึงหทุติยาที่ปาจีนิณสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนิณสูตร 7. ปฐมมสมุทธาณิณสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธาณิณสุตตะปัญจกะ สิอปะปมาทวัคโหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งถึงสิตถาคตาทิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเลื่อกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีประมาณเท่าใด พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารตทาคตาทิสูตรที่ 1-10 ถึงจบอับปมาทวักที่10บจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตทาคตาสูตร 2. ปงปทะสูตร 3. ปูตะสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยะสูตร 10. วัฏสูตร 11. พระกรณียวั หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกําลังหนึ่งถึงพระลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกําลังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกําลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร พระที่สูตรที่ 1-12 ถึงจบพระกรณียวักที่11อจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พระสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกะสูตร 7. อากาศสูตร 8. ปฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรพึงขยายพระกรณีวัค์ให้พิสดารด้วยอำนาจพ่ชงแห่งพ่อชังคะจังยุต